เริ่มแนะนำในการเดินพระรำสานแต่ในตอนต้นนี้กพราว่าวิธีทั่วๆไปวันนี้ก็อย่าพูดถึงอนุสติสามรายการรวบคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติเพราะว่าพูดที่ได้อย่างอาจเย็นเยินเกินไป คำว่าพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสตินึกถึงประสงฆ์เป็นอารมณ์แต่ความจริงถ้ากำลังจิตของเราทรงอนุสติทั้งสามอยู่คือพุทธานุสติยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า ธรรมานุสติยอมรับนับถือพระธรรมคำอสอนของพระพุทธเจา้าสังคาณุสติยอมรับนับถือพระอับถือพระอริยสงฆ์แต่การยอมรับนับถืออย่างจริงใจเกิดขึ้นทั้งสามรายการอย่างนี้ก็ถือว่าแต่เราตัดสังโยชน์ขอ้อที่ในความเป็นพระสู ด, ดาบันและสีาคาธรรมีได้ คือตัดวิจิตอิจฉาคำความสงสัยซึ่งได้มีประโยชน์ใหญ่ดังนั้นการเจออนุสติเัาสามเรื่องใดเจะอด้รยังไงแต่การเจริญตามแบบฉบับที่พุทธเจ้าทรงสอนตรงคำว่าอนุสติทั้งหมดคือทั้งสิบอย่าง แ, แม้สามอย่างนี้ก็ตามเป็นวิธีการที่ปฏิบัติง่ายๆใช้กำลังน้อย คือว่าเอาจิตเข้าไปยอมรับนักผีและจิตเข้าไปนึกถึงกันะใดแค่จิตขูใจเราจิตใจเราย่างนึกถึงและยอมรับนักผีพระพุทธเจ้าก็ดีเพื่อทําคําสั่งสอนรพรุทธเจ้าก็ดีได้ยอมรับนักผีพระอาเดียส่งก็ดีถ้าอย่างนี้ที่ว่าเรามีอนุสติถ้าจะาถามว่าก็จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิไหม ตอนจาเป็นมีการต้องฝึกอารมณ์ไหมหรือนั่งขัดสมาธิเป็นการฝึกอารมณ์ทำอารมณ์ให้ทรงตัวนะวนุสติอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าถามอย่างนั้นท่านจตอบพระตอบ ว, ว่าถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอก็ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็จิตจะมีการทรงตัว แต่กำลังใจยังเข้มแข็งไม่พอก็มีวามจาเป็นต้องฝึกการฝดกการนั่งสมาธิในการฝึกนั่งสมาธินึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงกะธรรมก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีอ ง, ดองใดองหนึ่งโดยเฉพาะหรือว่าทั้งคณะทั้งหมดก็ได้การฝึก อ, อย่างนั้นจิตมีการทรงตัวสามารถทรงฌานได้ดี เวลาฝึกเป็นยังไงก็งเหมือกันทุกกองเบื้องตนคือรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าเรานั้นอยากจะฝึกพุทธานุปติชนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าใช้คำบรรณาจะใช้คำบรรณาพทโทให้อยากจะให้สมาธิทรงโัเร็วๆก็นั่งข้างหน้าพระพุทธรูปก่อนจะภาวนาหรือภาวนาไปแล้วก็ตามก่อนจะหลับตา ก่อนจะหลับตาแล้วก็ลืมตาจำภาพพระพุทธรูปซึียก่อนว่าจำภาพพระพุทธรูปได้ดีก็หลับตานึกถึงท่านแล้วก็ภาวนาแต่ว่าถ้าภาพพระพุทธรูปนั้นเลือนเลือนไปจากใจหายไปล้วก็ลืมตาดูใหม่ไปจำภาพได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึวกว่าโท อย่างพระธรรมคำสอนสอนข้อมูลเด็ดดาพระธรรมนี้ถ้านึกถึงพระธรรมชัดๆอย่างอย่างเดียวเห็วยากิดถึงนี้เป็นเป็นชานยากเพราะว่าถ้ากิดเป็นฌานถ้ามีได้มิกิดตาด้วยจะเป็นฌานได้ง่ายจากนั้นถ้าการนึกถึงพระธรรมเรานึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไง หลักคำสอนพระเจ้ามีทั้งแปดพันสี่พันประการขันเราก็นึกทั้งหมดไม่ได้ก็เอาอย่างย่อๆว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัสสรุปมาแล้วตั้งกล่าวว่าสัพ ป, ปะปะาปัสการดังหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกอย่างสองกฎสรสูตรสมมาธาแนะนำให้ทุกคนปฏิบัติความดี สาเหกิจิตตประโยชน์บันังแนะนำให้ทุกคนทําจิตให้พ่องยจากกิเลสเอตังพุทธานาศาสนาองค์รงทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้เหมือนกันหมด เ, เมื่อเราจิตก็มันึกถึงการทมอย่างนี้จิตเป็นสมาธิได้แต่ว่าจะกวัดแหว่งมากไปหน่อยถ่าทางที่ดีให้นึกถึงหนังสือธรรมะ เล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าพระไตรปิฎกชุดใดชุดหนึ่งหรือตู้พระไตรปิฎกที่ก็ใส่พระไตรปิฎกก็ได้คิดว่านี่คือธรรมะคือครรมสอนของพระพุทธเจ้าจับเปน็นนิดแล้วก็หลับตานึดถึงภาพนั้นและภาวนาว่าธรรมโมถ้าภาพเลือนไปจากใจก็เลื่อมตาดูภาพใหม่จําได้ก็หลับตานึกว่าธรรมโมอย่างนี้จิตจะไปสมาธิเร็ว ถาเราตั้งใจเจริญสังขารนิสตินึกถึงพระสงฆ์เป็นอารมณ์ก็นึกถึงภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึง่งภาพเพียบเพลนึกถึงพระในปัจจุบันก็ได้ในอดีตก็ได้รวบภาพเขียนเลี้ยวเขียนพรบกคคลาภาษารีบทที่เราจำง่ายๆนึกถึงภาพในชีวันนี้คือพระบุคลาี่ภาษาดีบทแล้วก็นึกเวลาภาวนาไปสังข์โหนนึกถึงภาพของท่าน ถ้าอย่างนี้ถ้าจิตยังจําภาพ อ, อยู่เวลานั้นจิตสมาธิอย่างนี้ถือว่าจิตจะทรงฌานได้เร็วกว่าสมาธิได้เร็วกว่าก็าววาสุดแล้วแต่บรรไดย้ายากหลวงพุทธบริษัทการนึกถึงนึกถึงอนุส ต, ติทั้งสามเรื่องการในสมัยก่อนคือสมัยก่อนคือสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปะนอยู่อดีทีิผ่านมาแล้วตอนหลังตอ น, ตอน ตอนต้นๆก็ดีเวลานั้นกลายกดก็มีคนจำนวนมากที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ว่าพอฟังเทศจบเดียวจิตเข้าถึงไตรล า, าคมได้มีสินบริสุทธิ์ตัวอย่างก็ท่านสุภปปาพุทธากุติท่านสุปภาพุทธากุติคนนี้ท่านเป็นโรคเรื้อน แล้ก็เป็นขอทานด้วยแต่กว่าในการก่อนท่านไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักพระธรรมไม่เคยรู้จักพระอริยสงฆ์แต่ต่อมาภายหลังในเมื่อฟังเทศเจ้องค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ว่างที่เส้ น, เนทางไปขอทานไปเห็นพระพุทธเจ้าเทศโวดพุทธบริษัทท่านก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพนั่งห่างๆชาวบ้าน เมื่อเชาวบ้านพูดเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบแด้ล่าวว่ท่านเป็นปรบัณดาบันและต่อมาพระอินอยากจะทดลองความเป็นะัณดาบันของท่านถ้าคนที่เป็นประโสดารบันมีอารมณ์สาอย่างคือหนึ่งนึกถึงความตายไม่ลืมความตายแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิต รายการในสองนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริอรยสงฆ์ที่ความเคารพรและก็รายการในสามนึกถึงสิ่งที่ตัวควนจะปฏิบัติคือสิ่งห้าเป็นต้นทั้งสามรายการนี้เปโสดาบันไม่ละคือไม่ละนึกถึงความตาย เมื่อได้นถึงความตายแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามันอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ก็จะตายแล้วขอยึดความดีเป็นกําลังใหญ่นั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในนาทีสุดกรักษาสิ่งให้บริสุทธิการป้องกันอบัยวะภูมิแะหวังปณิพันธ์ไปดีไปนี่ลงคุณบรรโสดาบันจริงๆแปบนี้นั้นเมื่อท่านเป็นบระโสดาบัน เวลาที่พระอินทร์ทดลองให้แบอบกว่าทุกป่าพุท ธ, ธเธอเป็นขอทานด้วยแล้วก็ร่างกายก็เป็นโรคเรื้อนด้วยเป็นร่างกายย่บ้านเขารังเกียจถ้าหากว่าเธอพูดตามที่เราพูดแม้จะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรพูดเฉยเฉยฉันจะบรรดาลให้ร่างกายเธอหายจาโรคเรื้อนเป็นคนสวย แล้จบรรดาในทรัพย์สินต่างๆลถล่นบรรยากาศเธอจะเป็นมหาเศรษฐีวันนี้อ่านสุปาพุทธก็ถามว่าจะพูดว่ายังไงก็จะบอกว่าเธอพูดตามนี้นะไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรพูดเฉยๆก็ไม่เป็นไรให้พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เอาแค่นี้ก็พอ เทียงเท่านี้ท่านสุภาพุทธะฟังแล้วก็ไม่พอใ จ, <c oughs> จากจากรจิงประโสวดาบันยังมีโทสะแตโทสะไม่รุนแรงเอามือที่หน้ากล่าวว่าพระอิน่อยจนถอยไปแต่งกล่าวว่าเราเป็นคนจนเราจนจะพ่อโลกย่ายสัพย์สต่เรียรัตว์มีมากมายในเมื่อพระอินเห็นว่า ท, ท่าสุภาพุทธะมีความคารพในพระไตรสนาขุนจิงต้หลุไปอันนี้เป็นตัวอยา่าง ว่าคนสมัยก่อนถ้าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบางก่อนเห็นแค่เพียงข้างเดียวฟางเพศจบจิตใจรุงนไานก็มีความมั่นคงในะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่ี้มาว่าจากทง่คนที่มีความรู้สึกเคารพในพระไตรสนานาคมทั้งสามระการ คือว่าทั้งสามอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรด้วยพระอริยสงฆ์ด้วยมีใครไหมที่เป็นตัวอย่างแต่ความจริงบุคคลที่เป็นตัวอย่างมีเยอะแตยจะขอนํามาเล่าสู่กันฟังทั้เรื่องเลยคือว่าท่านธทำมิกาอุบาสกสําหรับท่านธทำมิการอุบาสกนี่มีความเคารพในพระไตรชนนาคปนจริง คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรมสาเคารพในพระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติตามคำสอนของสมรสมเด็จสัมมาทธเจ้าเป็นปกติต่อมาในการภายหลังท่านแก่ลงไปมากแก่ไม่พอได้วเวลานั้นก็ป่วยจากอาการใกล้จะตาย แต่วว่าจิตใจของท่านยังมีการผูกพันในพระไตรสิาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานวันนั้นวันตายของท่านถ้าจะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่รู้ไหมกันท่านก็สั่งให้หมดพระที่ดาของท่านไปที่สำนักของพระพุทธเจ้าปฏิหาวิหารแต่ว่าจะไปขอพระมาชุดหนึ่งให้มาเจริญพระบริ ทำว่าจเจริญพระบริก็คือสวดมนต์เด็กที่พระสวดมนต์เย็นพ <c oughs> ี่ใหญ่ที่สวดมนต์ตามบ้านนะพระสตรต่างๆลูกก็จัด ก, การตามนั้นก็ได้พระสงฆ์มาตามความต้องการแต่เพราะลักณะที่พระสงฆ์ขึ้นบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วกําลังเริ่มสวดเวลานั้นปรากฏว่าเทวดาทั้าางหกชั้น เพื่อหนึ่งชั้นจาตุมหาราชสองชั้นดาวดึงสามชั้นยามาสี่ชั้นฤาษีแล้วห้าชั้นนิ ม, มาราดีหกชั้นนิมิตวาสวัสดีทังหกชั้นมากันน่งขนาดมากันมากแต่ไรชั้นก็นำรถทิพมาแต่ไรชั้นก็ร้องชวนให้ช่้นทำเก่ามาสก ว่าขบไปเจ้าไปเทวดาชั้นนั้นข้าปเจ้าไปเทวดาชั้นนี้ออกชื่ชัน้นขอให้ท่านทั้มนีก่าบาศกไปอยู่ขบไปเจ้าเอไปเไ ป, ไปเ็นเทวดาร่วมกันเวลานี้เอารถมารับได้ให้ขอยขึ้นรถเดี๋ยวนี้ก็เป็นนบทเทวดาทั้งหกชัน้นส่งเสียงแซกท่านทั้งนเก่าบาศกฟังเสียง พ, พระปราศรุตไม่ได้ยิน เวลานั้นท่านต่างการฟังพระสวดมนต์คือธรรมานุสติท่านยืนยันบกไม้บกมือก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนครัท่านจริงท่าบอกให้เทวดาหยุดเทวดาท่านดางฟ้าหยุดพูดแต่ขั้นเมื่อท่านบกไม้บกมืออยู่พักใหญ่เทวดาก็ยังไม่หยุดพูดมายังไม่หยุดพูดเธอโบกไม้โบกมือร้องร้องบอกให้เทวดาหยุด ต่อมาพระสงฆ์เห็นนอย่างนั้นเข้าก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้ท่านทั้มีกาวบาสกคงยังไม่ต้องการฟั ง, งพระริสการจริงกันไปวันนั้นก็เป็นการบังเอิญจริงๆไม่มีพระได้ทิดคุ ย, ยานไปเลยแต่คิดว่าท่านในเรองการพระบริษพระสงฆ์ก็หยุดสวด ในเมื่อพระสงฆ์อยู่สวดบรรดาพระสงฆ์ทั้นหลายก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อเจ้าภาพไม่ต้องการฟังพระบริตเราจะอยู่นั่งอยู่เพื่ออะไรก็พากัรลาจากของบ้านเร ก, กลับวิหารหลังจากเมื่อพระไปแล้วเทวดาที่ในหยุด เมื่อเทวาดาหยุดส่งเสียงก็ปรากฏว่า ท, รทร่านนิก่าวมาส่งขันมาทางพระต้องการจะฟังพระสวดเต่ปรากดว่าพระไม่มียิ่งถามลูกสาวลูกชาย ญ, ญ, ญาติข้างๆว่าพระไปไหนจังยัฟังรพระสวดพระบริสันดารุกงเรืองละบรรดาญาติทั้งหลายก็บอกว่าก็เวลาเมื่อพระสวดก็ก็ไม่ฟัง บอกให้พระท่านหยุดเวลานี้เห็นพระเห็นว่าไม่ต้องการฟรังโสดท่ากลับท่านธมิการบวศึกว่าไม่ใช่อย่างนั้นาการที่บอกไม้บอกมือแล้วบอกให้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ใช่ไปจะบอกให้พระหยุดการิงเป็นเสียงของเทวดาเสียงนางฟ้าทั้งหกชั้นที่มาจากักชวนนะ น, นำมาท่านยนชั้นไหนและจก๊กวนใหพ่อไปอยู่ชั้นนั้น ทันต่งเสียงเสียงแท้กรบเสียงพระสวดพ่อมาดึงเสียงพระสวดพ่อยังโบกมือให้เขาหยุดรับบรรยกาศให้เขาหยุดเมื่อได้พูดแบบนี้ก็ปรากฏว่าบรรดาลูกหลานเสียใจที่ว่าเสียใจเพราะว่าบรรพพ่อที่มีความเคารพในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ้าเคารพในประธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์มาก ถ้าเวลานี้แก่ใกล้จะาตายป่ว ย, ย, ยไข้เกิดปัญหาอาการหลงไหลฝ่าฝันอย่างนี้เธอเสียใจที่เราพ่อจะเสียสติอาจจะตั่งพราดไปอบายภูมิได้ในเมื่อลูกราราอย่างนั้นพระท่านธิมพกาบาลสุก็บอกว่าเอ า, อางี้กัแล้วกันนะแต่ความจริงพ่อไม่ได้หลงเขาเห็นเทวาดาจริงๆแต่ว่าพวกเธอก็ค้านว่าไม่จริงทว่าว่าเธอไม่เห็น เธอเธอไม่ได้เห็นด้วยอัทั้งมกบาบอสุเปอีกเรื่องความสงสัยของลูกหลานยังนี้บอกว่าเวลานี้เจ้าจงนำภมอลารไยม่พ่อจะกควงทิษเขาก็ดามภูมอลารมาแล้วถ้าก็ถามว่าลูกเอ๋ยเทวดาหกชั้นมีชั้นจา่าถูกภาราชหนึ่งชั้นดูสิแชั้นั้นดาวดึงหนึ่งชั้น ย่ามาเช่นดุสิตท่านเลมาระดีประดีเมตุ ว, วัสดีทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนดีสุดมีความสุขมากบรรดาลูกทั้งหลายศึกษามาแล้วก็ทราบว่าชั้นดุสิตเป็นชั้นที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นที่อยู่ผู้บริจัดอย่างหนึ่งและไปการีสองท่านที่จะเข้าชั้นดุสิตได้ต้องอย่างต่ํามีบุญตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ลูกก็จึงบอกว่าท่านเป็นว่ท่านดูสิดีเมื่อสักครอว่าท่านบอกฉันเมื่อลูกบอกฉันดูสิดีหรือบอกว่าต่อ น, นี้ไปพ่อจะโยนทมลิลาลยให้ไปคล้องที่งอนรถของฉันดูสิและถ้าใครโยนขึ้นไปภูมิะาลัยก็คล้องงอนรถแต่ปรากฏดาลูกหลานทั้งหลายไม่เห็นรถเห็นแต่ภูมิลาลัยข้างหน้าอากาศ ไต้บกบว่านั่นแหะเป็นชั้นดุจิตดนที่สุดสกัรละละจะอัตภาพนีการลังกะตะวาคําว่ า, วาการลังกะตะวานหมายว่ า, ววาถึงการละแล้วถึงการเวลาจิตใจเอาจากร่างนี้ไปขึ้นรถชั้นดุสิตไปต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรยตถาคตดาบสมว่าพิเจเกวีดูก่อนที่สุดทั้งหลาย <c oughs> เธอไปสวดพระบริสก์แต่ให้ทา่นทานจะทำท่านมิกล่าวบาศกมีความรู้สึกเป็นอย่างไงทาง่านก็กล่าบทูลว่าไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างไรเพราะว่าท่ามิกล่าวบาศกไม่ต้องการฟังพระบริสเมื่อกล น, นาที่ขึ้นตึกตรวจใหม่ๆเธอก็บอกมือบอกไม่ร้องห้ามไม่หยุดไม้หยุดพระพุเจก็บกว่าความจริงเขาไม่ได้ห้ามบอกเธอ เขท่านเขาห้ามาเฉพาะเทวดาเรื่องนางาพระที่ส่งเสียงดังแต่ท่านชวนเขาไปอยู่ชั้นนั้นๆและในสุดองค์สมเด็จพระเทกกวันโกรธทร ง, ต, ง ต, ตัดอริยสัจบรรดาประสมนั่นหลายแระในกระปรูมมรคนนี่ไดบรรดาญาโยมวัตบรรดาพุกคนบรรดาเพื่อนที่สุดทั้งหลายการจิตใจที่เข้าถึงพระไตรชนนาคม คือยอมรับนักผีพระพุทธเจ้ายอมรับนักผีวัรรมยอมรับนักผีพระเรียสงก็งมีประโยชน์กับคนทุกคนอย่างนี้พยากเณากัไปก็เป็นก้าวที่สองที่เข้าถึงความเป็นประโสดาบันข้อก้าวแรกก็คือว่าคิดว่าชีวิตที่มันต้องตายเราก็คิดกันอยู่แล้ว ว่าคนทุกคนต่างคงจะต้องอยันยอมรับว่าเราเกิดขึ้นมาเบื้องต้นก็มีควา ม, มาตายในสุดเหมือนกันหมดต่อมาทุกคนที่นั่งที่นี่ทุกคนก็กนแสดงว่าทุกคนมีการยอมนิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมายอริสงก็ถือว่ามีกำลังใจเข้าตัดตั้โยอดข้อที่สองแต่ว่าขอความมั่นคงของวรรดาท่านพระตุภัยสัตว์ทั้งหมดให้เหมือนเหมือนกับ กับเ อ, อีตาก็ขอทานเมือนเหมือนกับท่านก็ทานนิการมาแล้วเบื้องต้นนะขอทานที่เรือน่ะสุปาพุทธากุิท่านสุภาพุทธากุิมีความมั่นคงชั้นใดเว่าคําว่าพระไตรสรนานกรมทั้งสามเรื่การมีพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเราจะไม่กล่าวคําปรมามมกแม้แต่ไม่ตั้งใจ จะไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่ พ, พุทธเจ้าพระธรรมคือไม่ใช่พระธรรมพระสงค์คือไม่ใช่พระสงค์แม้จะไม่ตั้งใจคิดเล่นๆอย่างนี้เราก็ยังไปคิดว่ามันความเป็นมาถ้ารเราบรรดาญาโยมกบริษัถึเวลาใกล้สมมาเวลานี้ก็เป็นเวลาการที่อธิบายกันถึงเรื่องความเป็นมาของการเจริญมโนยิธิอย่าลืมว่าคําว่ามโนยิธิแปลว่ามีริษฐานใจ วิธีปฏิบัติจริงๆสําหรับญาติโยมใหม่อันดับแรกให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกวันะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระพระแต่ว่าเวลาให้ใจก็ปล่อยอารมณ์ให้ใจไปตามปกติของร่างกายอย่าบังคับลมไว้ใจ ร่างกายจะให้ใจแรงให้ใจเบาก็เป็นเรื่องของร่างกายปล่อยไปตามเรื่องอเราเอาจิตเข้าไปรับทราบเฉยๆอันนี้สำหรับคนใหม่นะคอยย้ำอีกครั้งหนึงเลว่าให้ใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกเทวพาทะตอนต้นๆครูเขาจะต้องปึกฝึกเคยเข้าถึงความได้เข้าทิพย์วิญญาณที่ก่อน <c oughs> ถ้าได้ทิพ ญ, ญาณแล้วทุกอย่างก็ได้หมดแต่ว่าคําว่าทิพ ญ, ญานนี่ไม่ใช่แปลลูกตาเป็นทิพย์คำว่าทิพ ญ, ญานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลต้ตาทิพย์นั่นก็คือใจทิพย์ไม่ใช่ตาทิพย์ถ้าตาทิพย์เขาเรียกทิพนเนิษฐ์คำว่าทิพ ญ, ญาณคือใจใจทิพย์ตอ่เอเมื่อเวลาที่เข้าสุดจริงๆ เวลาเข้าตั้งที่ครูก็จะแนะนำให้ภาวนาจยเาไอยงว่าเมื่อกี้นี้ประมาณสิบนาทีใจเข้านึกวันมะเจ้าเนี่สภาทะเวลาที่ภาวนาอยู่ก็ยากโยนทุกหมดยงอยากยากรู้อยากอะไรเป็นไเพราะเวลาได้ความเปินพิษโคจิตยังไม่เกิดต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปแปล้ๆกเวลาประมาณสิบนาที ครูจะเริ่มแนะนําหรือเข้าไปนั่งกลางวงตอนที่ครูจะเริ่มแนะนําหรือเข้าไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงตอนนั้นขบรรดาญาโยมทุกคนที่ฝึกใหม่เลิกภาวนา ท, าทันทีไม่ภาวนาด้วยและก็ไม่สนใจกระหม่อมใจเขาออกด้วยตั้งใจเอาหูไปฟังคาแนะนําขาะแนะนำในการตะกิเลศุกล่าวธรรมะ พูดถึงธรรมะได้ดักจากเกว่กกิเลสขณะที่จิตใจของท่านตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้สอนเวลานั้นจิตจะระงับจากกิเลสก็จะน้อยและน้อยจิตจะเริ่มสะอาดถ้าจิตสะอาดมากความเป็นที่เกิดมากจิตมีความรู้สึกก็คือเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากเห็นจากจิต ถ้าจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกจิตจะต้องเห็นจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าหากว่าจิตสะอาดน้อ ย, อยจิตจะมีแต่ความรู้สึกสติจิตไม่เห็นภาพทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบรรดาจิตใจกับบรรดาท่านพุทธวิสัชน์หลายจะระงับได้ขนาดไหนถ้าหากว่าเขาเห็นว่าความเป็นทิพย์มีขึ้นก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่ข้ า, างหน้าบ้าง อย่างนี้ให้ให้ถืความรู้สึกต้นใจอารมณ์แรกเป็นสาคัญแต่ก็าาถามปั๊บความรู้สึกเกิดปั๊บว่ามีหรือไม่มีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวถ้ายั้งตัวสงสัยกิเลสจะแทรกให้ว่าถามตอบไปว่าท่านนี่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือูชายก็ให้ตอบตามความรู้สึก ถ้าก็ถามว่าท่านผู้หญิงอยู่หน้าแต่งตัวสีอะไรมีความรู้สึกยังไงก็ตอบตามนั้นหลังจากนั้นผู้แนะนำเจนว่าความเป็นคิดยังน้อยไปถ้าอาจจะแนะนำในการตระกี้เียทีข้างหนึ่งเพื่อความผ่องใสชัดเิงของความเป็นคิดสืบุญานมากขึ้น จากจากนั้นไปเขาจะพาไปแนะนำให้ไปพุทธลามุนีเจดียสถา น, นเป็นสถานที่ตั้งอยู่บนสวรรค์เช้นดาวดึงติวโลกเป็นสถานที่นํมามัน ก, กายของเทวดาและผมไปที่นั่นทุกคนจะเห็นพระพุทธจเจ้าเจนพระรหันเจเทวดาเห็นผมมีความสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นเขาจะแนะนําไปนิภาณ นี่สำหรับผมใหม่สำหรับญาติโยมเก่าก็นึกถึงไตรรัต น, น์ญาณคือพระพุทธเจาาา้าประธรรมพระอริยสงฆ์ได้คิดถึงความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เลิศ ก, กว่ามนุษย์เทวดากับผมทั้งหมดเวลานี้สมเด็จพระร่มหลวงโตรนิพานไปแล้วในเมื่อองค์สมเด็จพระบดีแก้วนิพพานไปแล้วเราล่ะท่านดีกว่าเราท่านอยานิพพาน เราเป็นากายไม่ชาก็ไม่นายก็ต้องตายเช่นเดียวกันใน <c oughs> เมื่อบันจะตาย <c oughs> ก็คิดว่ามนุสโลกมันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีก <c oughs> <c oughs> แต่วัดใกับพร ม, มีความสุขไม่จริงเราไม่ต้องการอีกเราต้องการอีกผ่านหลังจากนั้นก็นจิตใจตั้งไว้ที่นิพงานรอการสักษาบอารมีดาญาโยมุตุโภชนหลาย ตอนนี้ไปขบนันาดาญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานถิ่นสมาทานประจวบฐาน